Book 2 73 7ซยยเซียตได้รับอนุญาตได้ n i e ช o s m ม e ด m ม c วคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ สเมียชุ s เ o ฟโรบาดอัลโตคุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ smi ียชุชปิดแอลกอฮอลคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือสเมียชุชอิสซามด za าฮันิชยาอนุญาตได้ smi ียชมู เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ m ูเ e เ u ตูไฟชิตตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะมูเชซฟชิจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ m ูเ e ซาตูน kar ตจ่ายเช็คได้ไหมคะมูเชซ a t ชิม จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะขอถามอะไรได้ไหมคะ ôžem sa niečo spýtať? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ SPAĆCH PARKU เขานอนในรถไม่ได้เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ SPAĆCH STANICY NA เราขอนั่งได้ไหมคะ เราขอรายการอาหารได้ไหมคะคุณสามารถนำพรี n ซนต์เยดานนี้ลิสต์เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ